พุท ธ, ธตำนานพระเจ้าเรียบโลกกันที่หนึ่งนมโมตัดสัตว์ถุมหาการุณิโกนาถุคีตายะสัพพปารามีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมันติสาทโวดูราสัพพุริสะทั้งหลายอันว่าพระพุทธเจ้าองค์ประกอบด้วยพระมหากรุณาที่คุณเป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกทั้งมวลทรงยังพระบรารมีทั้งปวงให้บริบูรณ์แล้ว พร้อมกับด้วยมหาบริจาคทานห้าประการและจริยะสามประการกับทั้งสุจริตธรรมสามประการโดยใช้เวลาบำเพ็ญสิ้นยี่สิบอสงไขยกับแสนมหากับฮิตายะเหตุเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งมวลแลอธิบายว่าพระพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลายทรงมาเกิดความเอ็นดูกรุณาในมูลสัตว์โลก ตั้งแต่สมัยเมื่อพระองค์ได้พระชาติเป็นมาณวะชื่อว่ามาตุทรกะมาณวะในครั้งนั้นพระองค์ได้อุปถากเลี้ยงดูมานดาของพระองค์โดยเอามานดาขึ้นสู่สาเพาไปด้วยพ่อค้าห้าร้อยคนแล่นเรือไปสิ้นเวลาเจ็ดวันก็ไปถึงท่ามกลาง ม, มหาสมุทรเรือสาเพาถูกคลื่นลมแตกทำลายลง พ่อค้าทั้งห้าอคนก็กลายเป็นอาหารของปลาและเต่าร้ายทั้งหลายสิน้นในการครั้งนั้นมาตุทรกะมานวะเป็นผู้ประกอบด้วยพระกำลังและความเพียรมากก็อุ้มอามารดาแห่งตนปีนขึ้นสู่ยอดเสากระโดงโดยฉับพลันดูดดื่มกินน้ำสับปิแล้วอุ้มมารดากระโดดไปไกลหนึ่งคาวุธหรือสองพันวา เพื่อให้ตนพ้นจากแดนแห่งปลายและเต่าร้ายทั้งหลายจากนั้นก็นำบานดาไหว้น้ำไปโดยลำดับตลอดเจวันเจ็คืนก็หาได้ละความเพียรพยายามไม่ในการครั้งนั้นท้ามาหาพรหมอันอยู่ชั้นพรห ม, มโลกก็เล็งดูบุรุษทั้งหลายในโลกที่จะเหมาะแก่การตั้งปณิธานปรารถนาเป็นพระสมมาสมพูธิยานแม้คนหนึ่งก็หาพบไม่ บังเอิญเล็งเห็นมาตุทรกะมานาวะผู้กําลังเอามารดายแห่งตนขี่คอว่ายน้ําอยู่ทถ้ำกลางมหาสมุทรเห็นว่าเป็นบุรุษผู้ประกอบด้วยความเพียพรพยายามเป็นอันมากท้ามหาพรหมจึงเสด็จลงมาจากพรหมโลกมาบรรดาลใจมาตุทรกะมานาวะผู้นั้นให้บังเกิดความเอ็นดูกรุณาศัพทัตวษาทั้งหลาย และให้มีใจมุ่งปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อปลดเวียนายัตว์ทั้งหลายเป็นอันมากมาตุธรกะมานวะจึงมีวิตกรำพึงว่าพุทโธโพเธออย่างมุตโตโมเจออย่างตินโนตาเรยอย่างดังนี้พุทโธอันว่าบุคคลผู้ใดได้ตรัสรู้ธรรมทั้งมวลโพเธออย่างพึงยังบุคคลอื่นให้ตรัสรู้ธรรมอันนั้น เหมือนดังที่ตนได้ตรัสรู้แล้วมุตโตอันว่าบุคคลผู้ใดได้พ้นแล้วจากภัยทั้งมวลโมเจอ ย, ยังพึงยังบุคคลอื่นให้พ้นจากภัยอันตรายหากพ้นแล้วตินโนอันว่าบุคคลใดข้ามพ้นแล้วจากมหาสมุทรกล่าวคือวัตฏสงสารตาเรยยังพึงยังบุคคลอื่นให้ข้ามพ้นจากวัตฏสงสาร เหมือนดังที่ตนข้ามพ้นแล้วดังนี้มาตุทรกะมานาวะครุ่นคิดลำพึงอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาในขณะที่ให้มาดาขี่คอว่ายอยู่ในน้ำมหาสมุทรตลอดเกตวันฝ่ายว่านางมณีเมฆขลาผู้เป็นเทวดามีหน้าที่รักษาน้ำมหาสมุทรมีความกลัวคำตำหนิตีเตียนจากพระอินทร์และพระพรหมทั้งหลายจึงไปช่วยมาตุทรกะมานาวะ พร้อมทั้งมารดาให้พ้นจากน้ำมหาสมุทรมาตุทรระกามนาวะก็ยิ่งบังเกิดมีใจใคร่ปราถนาซึ่งสัพพัญยุตยานมากขึ้นจึงกราบมารดาแห่งตนแล้วตั้งใจระลึกสมาทานอธิษฐานขอเป็นพระพุทธเจ้าด้วยคิดแต่ในใจว่าด้วยเดชผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ให้มารดาขี่คอพาว่ายข้ามน้ำมหาสมุทรพ้นจากภัยทั้งมวล น, นี้ จงเป็นปัจจัยอุดหนุนให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในการที่จักมาพายหน้าให้ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือเวนยสัตว์ทั้งหลายเทินเมื่อรำพึงเช่นนี้แล้วตั้งแต่นั้นก็อยู่อุปถากมานดาแห่งตนจนตราบสิ้นอายุเมื่อจติจากชาตินั้นก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกนับตั้งแต่ชาตินั้นเป็นต้นมา มานะวะผู้นั้นจะเกิดมาในชาติใดก็ดีก็ปรากฏชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ทุกชาติอันว่าพระโพธิสัตว์นั้นหากว่าเกิดมาเป็นเทวดาก็ดีพระอินทร์ก็ดีพระพรหมก็ดีเป็นมนุษย์หรือแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ย่อมประกอบไปด้วยญาณปัญญาอันพิเศษย่อมรู้เหตุและผลทั้งสิ้นโดยแจ่มแจ้งยิ่งนักย่อมบำเพ็ญวรารมีธรรมสะสมไว้เสมอ นานได้เจ็ดอสงไขยกับแสนมหากับได้พบพระพุทธเจ้าทั้งหลายจํานวนแสนสองหมพันพระองค์ได้นมาสการกราบไหว้บูชาตั้งพณิธานปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโดยเป็นตะคิดไว้ในใจโดยไม่ได้เปล่งวาจาออกจากปากครั้นเมื่อหมดสิ้นเจ็ดอสงไขยกับแสนมหากรบนั้นแล้วพระโพธิสัตว์ก็ได้มาบังเกิดเป็นพระมหาจักรพรรดิพระองค์หนึ่งพระนามว่า มหาสขขาครจักรวัติราชในศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระ น, นามว่าปุราณโคตมะพระมหาสขขาครจักรวติราชก็ทรงให้สร้างปราสาทด้วยไม้จันแดงรวมทั้งสิ้นหนึ่งแสนหลังให้เป็นที่สถิตอยู่แห่งพระรัตนตรยัยแล้วได้เปล่งวาจาตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าให้ปรากฏแก่คนและเทวดาทั้งหลายตั้งแต่ชาตินั้น แม้นว่าพระโพธิสัตว์เกิดมาในชาติใดก็ตามย่อมเพนวารมีธรรมเป็นนิดนานได้อสงไขายกับแสนมหากับได้เกิดพบพระพุทธเจ้าทั้งหลายนับได้ส8 7 0ส0ปดเจดพันพระองค์พระโพธิสัตว์ก็ได้กราบไหวบูชาเปลงวาจาปรารถนาพุทธภูมิเมื่อก้าวอสงไขยกับแสนมหากับหมดสิ้นไปแล้วพระโพธิสัตว์ก็ได้บังเกิดเป็นพรามผู้หนึ่ง ได้ออกบวชเป็นฤาษีมีชื่อปรากฏว่าสุเมธฤาษีในสมัยนั้นเป็นการศาสนาของพระพุทธเจ้าทีพังกรสุเมธฤาษีได้อุทิศตน ล, ลงนอนทอดแทนสะพานให้พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายจำนวนหนึ่งแสนองค์เดินตายข้ามไปพระโพธิสัตว์ตั้งความปรารถนาผู้ตภูมิด้วยใจและด้วยวาจาในครั้งนั้น พระพุทธเจ้าทีพังกรก็ตรัสพยากรณว่าดูกระภิกษุทั้งหลายท่านสุเมธาฤศีองค์นี้จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในพัทธรกับภายหน้านับแต่นี้ไปเป็นเวลาสี่อสงไขยกับแสนมหากับจักปรากฏพระนามว่าโคตมะสัมมาสัมพุทธะเมืองที่จะไปบังเกิดนั้นชื่อว่าเมืองกบิลพัททัพีดาพระนามว่าสุดโทธนะ มารดาพระนามว่าสีมหามายาพระเทวีพระนามว่ายาโสธราพิมพาพระโอรสพระนามว่าราหุลจะอยู่ในราชสมบัตินานได้29ปีแล้วจักออกพนวดด้วยยานม้าชื่อกันทกะจากทรงบำเพ็ญเพียรได้หกปีแล้วจึงจะทรงตัดสรุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือรัตนบัลลังก์อาจอันสูงได้18บดอก ภายใต้ต้นไม้ป่าแป้งอันเป็นไม้มหาโพธิ์แล้วจักสั่งสอนกุลบุตรทั้งหลายให้ได้บรรลุถึงอรหัตผลสั่งสอนโปรดเวนยศัตว์ทั้งหลายเหมือนดังตถาคตนี้แลอัครส า, าวกฝ่ายขวามีชื่อว่าสารีบุตรอัครส า, าวกฝ่ายซ้ายมีชื่อว่ามหาโมคคัลลานะพุทธอุปถาชื่อว่ามหาอานันทะ พระพุทธเจ้าโคตมะพระองค์นั้นจักมีอายุยืนแปดสิบปีและปริณิพานไปจากตั้งพระศาสนาไว้เพื่อสั่งสอนโปรดเวนยศัตว์ทั้งหลายสิ้นห้าพันพระวสสาพระพุทธเจ้าทีปังกรตัดพยากรสุเมธเท่าฤาษีก็มีดังที่กล่าวมานี้แลพระสุรเสียงแห่งพระพุทธเจ้าทีปังกรนั้นก็ดังกึกก้องขึ้นไปถึงชั้นฟ้าทั้งหกชั้น และพรมทั้งสิบหชั้นแพร่กำจายไปทั่วหมื่นโลกธาตุแสนโกรธจักรวาลเสียงสาทุกการดังตั้งแต่เมืองมนุษย์ถึงชั้นฟ้าชั้นพรมแสนโกรธจักรวาลทั้งมวลก็กำปนาโกลาหลุนด้วยเสียงสาธุกการนั้นหาพระพิรุณดอกไม้ก็ตกลงมาจากอากาศวิชุดาสายฟ้าก็แลบในการอันไม่ควรแลบดูสว่างเรื่อเรืองไปทั่วจักรวาลทั้งสิน้น ฟ้าก็คำรนคำรามร้องกำปนาหวานไหวมหาชลทาราก็หลั่งไหลลงมาจากฟากฟ้ า, ฟาอัศจรรย์ทั้งหลายก็มีประการต่างๆก็เกิดขึ้นในการครั้งนั้นส่วนพระสุมเมธาอษีได้สดับตรับฟังพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีพังกรแล้วก็ดมรงตนด้วยความไม่ประมาทตราบเท่าสิ้นอายุก็ได้ไปบังเกิดในชั้นพรหมโลกโพนแล นับตั้งแต่ชาตินั้นมาแม้นพระโพธิสัตว์จะเสวยพระชาติเป็นอะไรก็าตามก็ย่อมเพียนเพียนสะสมบา ร, รมีธรรมไว้เสมอทุกชาติเป็นเวลานานา น, นับได้เสียสงไขยกับแสนมหากัรได้บังเกิดพบพระพุทธเจ้าสองพระองค์นับตั้งแต่นั้นมานานได้แสนมหากัรก็ได้บังเกิดพบพระพุทธเจ้า15ห้าพระองค์ พระโพธิสัตว์ก็ได้บริจาคทานกราบไหว้บูชาพระรัตนตรยัยแล้วตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยปากด้วยใจและด้วยกายพร้อมทั้งสามประการเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นได้รับคำพยากรณ์ตรัสทำนายจากพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าทีปังกรณตรัสพยากรณ์ไว้ทุกประการนับตั้งแต่พระโพธิสัตว์พุทธเจ้า ตั้งปณิธานความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งแรกจนตราบเท่าถึงที่สิ้นสุดแห่งมหากรรมอันนานได้ยี่สิบอสงไขยกับแสนมหากรรมได้บังเกิดพบพระพุทธเจ้าทั้งหลายจำนวน5าแสนหนหือพนพระองค์จนกระทั่งได้มาสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรในการเวลาอันเนื่อง น, นานนี้พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบรารมี30มสิบทั คือได้บำเพณทานอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดสูงสุดเป็นสามระดับรักษาศีลก็รักษาศีลห้าศีลสิบและจตุปาริสุทธศีลอันเป็นอย่างต้นอย่างกลางและอย่างอุกฤษแม้นออกบวชเป็นฤาษีเป็นปริพาชกเป็นสา ม, มเณรหรือเป็นภิกษุก็เป็นอย่างต้นอย่างกลางและอย่างอุกฤษแม้จากบำเพ็ญปัญญาบา ร, รมีด้วยสมถะวิปัสสนาภาวนา ก็บำเพ็ญอย่างต้นอย่างกลางและอย่างอุกฤษแม้นจากบำเพ็ญความภาคเพียรก็ดีก็บำเพ็ญอย่างต้นอย่างกลางและอย่างอุกฤษแม้นจากบำเพ็ญขันติความอดทนก็ดีก็บำเพ็ญอย่างต้นอย่างกลางและอย่างอุกฤษแม้นบำเพ็ญสัจจะบารมีก็บำเพ็ญอย่างต้นอย่างกลางและอย่างอุกฤษบำเพ็ญอธิษฐานบารมีก็บำเพ็ญอย่างต้นอย่างกลางและอย่างอุกฤษ บำเพ็ญเมตตาบรารมีแผ่ไมตรีแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็บำเพ็ญอย่างต้นอย่างกลางและอย่างอุกฤษบำเพ็ญอุเบกขาบรารมีก็บำเพ็ญอย่างต้นอย่างกลางและอย่างอุกฤษเหตุนั้นจึงได้ชื่อว่าบรารมีเบื้องต้นสิบทัตอุปบรารมีก็มีสิบทัตปรมัทธบรารมีก็มีสิบทัตรวมทั้งหมดเป็นสาสทัต พระโพธิสัตว์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมหาบริจาคทานห้าประการคือบริจาคสละราชสมบัติอันได้แก่ข้าวของเงินคำแก้วแหวนช้างมา้าวัวควายรถเกวียนทาดหญิงทาดชายให้เป็นทานเป็นเวลานา น, านกว่ายี่สิบอสงไขยหากจะนำมารวมกันแล้วมากกว่าสมบัติมนุษย์ในโลกนี้รวมกันเสียอีก พระองค์ทรงบริจาคไปโดยไม่อะไรใหญ่ดีมุ่งเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เพียบพร้อมไปด้วยพระมหากรุณาอันยิ่งในอันที่จะนำเวรนยศัสตว์ทั้งหลายให้ผ่านพ้นจากโอฆวัตตสงสารประการหนึ่งชื่อว่าองค์ฆาบริจาคหรืออวัยวะบริจาคคือพระองค์สละร่างกายโดยปาดเนื้อเถือหนังให้เป็นทาน ตัดหัวตัดมือตัดแขนตัดเท้าสละเลือดเนื้อออกให้เป็นทานนานได้ยี่สิบอสงไขยกับแสนมหากับหากจะนำมารวมกันแล้วมีมากกว่าแผ่นดินอันมีในมนุษยโลกเหล่านี้ที่บริจาคเลือดเป็นทานนั้นเมื่อนำมารวมกันแล้วย่อมมากกว่าน้ำในเบญจมหานาทีเฉพาะแต่ดวงตาที่พระโพธิสัตว์บริจาคนั้น มากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้ารวมกันเสียอีกแม้นจะทรงเจ็บปวดได้รับทุกขเวทนาสักปานใดก็าตามพระองค์ก็ทรงอดกลัน้นเพื่อมุ่งประสงค์จะเป็นพระพุทธเจ้าประการเดียวชีวิตบริจาคพระโพธิสัตว์ทรงบริจาคชีวิตของพระองค์ตายแทนวีดามารดาญาติมิตรมากกว่าชีวิตของมนุษย์ในชมภูทวีปทั้งสิน้น ก็เพื่อประสงค์พุทธภูมิเป็นพระพุทธเจ้าสั่งสอนเวนยศัตว์ทั้งหลายบุตตะบริจาคพระโพธิสัตว์ทรงบริจาคลูกหญิงลูกชายอันเป็นที่รักยิ่งกว่าดวงตาให้เป็นทานไปนั้นมากกว่าลูกหญิงลูกชายแห่งชาวเมืองใหญ่ส6บหเมืองรวมกันซสอีกแม้นว่าพระองค์จะรักลูกปานชีวิตก็พยายามบรรเทาความรักแล้วจึงทรงบริจาคไป ทางนี้ก็เพื่อมุ่งจะได้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์โลกทั้งมวล น, นั่นแลอีกประการหนึ่งภริยาบริจาคพระองค์ได้สละเมียรักเสมอดังดวงใจให้เป็นทานแม้ว่าความสเสน่หาเป็นดังจะทำให้หัวใจแตกทำลายลงพระองค์ก็พยายามบรรเทาอดกลั้นไว้แล้วจึงบริจาคทานไปถ้าจะนับรวมกันแล้ว มีจํานวนมากกว่าผู้หญิงผู้ชายทั้งหลายใน16เมืองใหญ่รวมกันเสอีกประการหนึ่งพระโพธิสัตว์บําเพ็ญจริยาสประการคือพุทธทัตทจริยาคือประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่การที่จะเป็นพระพุทธเจ้าประการหนึ่งยาตัตจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติพี่น้องแห่งพระองค์เป็นนิรันด์ประการหนึ่งโลกัตทจริยา ปราเพื่อเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกประการหนึ่งประการหนึ่งพระโพธิสัตว์ย่อมบำเพ็ญสุจริตสามประการคือกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตพระองค์บำเพ็ญสะสมยังสุจริตบรารมีสามประการนี้ทุกทุกชาติโดยปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายี่สิบอสงไขยกับแสนมหากับจนบริบูรณ์แล้ว จึงได้มาเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าเวทสันดรในพระชาตินี้ก็ยิ่งทรงบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีคือทรงบริจาคช้างปัจจายนาเคนให้เป็นทานและทรงบริจาคสิ่งของเป็นทานอีกวัลละหกแสนทองคำบริจาคสตกะมหาทานบริจาคม้ารถสัตต ร, รัตนะและบริจาคบุตรภริยาเป็นทานจัดเป็นทานบารมีสามประการ รักษาศีลห้าและอุโบสถศีลไปตลอดจนออกพนวดเป็นฤาษีมีปัญญาขวนขวายในการบำเพ็ญบุญมีความเพียรพยายามในการบำเพ็ญบุญกุศลมีความอดทนในครองปฏิบัติมีสัจจะกล่าวความจริงแต่ประการเดียวกระทำอธิษฐานใจตั้งมั่นในอารมณ์อันเป็นสุขเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประจำแผ่เมตตาไมาตรีอยู่เป็นนิจ มำเพนอุเบีขายาในมรรคผลและได้ปฏิบัติในยอดทานบรารมีอันยิ่งใหญ่คือได้บริจาคพระราชโอรสและพระราชธิดากับทั้งพระอัครมเหสีอันเป็นสุดที่รักให้เป็นทานทรงสะสมจริยาสามประการและสุดจริตสามประการโดยตลอดจนตราบสิ้นพระชนมายุมิใช่เพราะเพื่อเหตุอื่นเพราะเหตุอย่างเดียวคือต้องการเป็นพระพุทธเจ้า เพื่อสั่งสอนเวนายศัตว์ทั้งหลายนั่นแหลครั้นจุติจากพระชาติเป็นพระเจ้าเวสสันดรแล้วก็ไปอุบัติในชั้นฟ้าดุสิตดำรงอยู่ในชั้นฟ้านั้นสิ้นเวลาสี่พันปีทิพย์แล้วเสด็จลงมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือรัตนบัลลังก์โคนไม้มหาโพธิ์ทรงชนะมารทั้งห้าแล้วก็เสด็จไปสั่งสอนเวนยศัตว์ทั้งมวลตามลำดับพรรษา และมาประทับสำราญภริยาบุตรอยู่ในพระวิหารเชตวันอันนายอนาถบินธิกะเศรษฐีสร้างถวายตั้งอยู่ในเมืองสาวัตถียังพุทธกิจทั้งห้าประการให้สำเร็จแล้วด้วยประการดังนี้ยังมีในสมัยการครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาที่คุณมีพระอรหันสาวกห้าร้อยองค์อันมีพระมหาสารีบุตรเถระเจ้าเป็นประธาน ก็เสด็จจาริกออกไปสงเคราะห์เวนยศัตว์ทั้งหลายทรงบรรลุถึงเมืองมหานครลุ่มฟ้าคือเมืองพาราสีอันตั้งอยู่บนฝั่งมหาสมุทรพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาสั่งสอนเวนยศัตว์ทั้งหลายให้บรรลุความสุขสามประการตามบุ ญ, ญสมภารแห่งเวนยสัตว์นั้นๆแล้วทรงอธิษฐานสถาปนารอยพระพุทธบาทไว้ตามบ้านน้อยเมืองใหญ่ทั้งหลาย ขึ้นมาตามลำดับนิคมราชธานีตามต้นน้ำและแม่น้ำทั้งหลายโดยตลอดพระพุทธเจ้าพร้อมกับด้วยพระรหัน์ทั้งหลายก็เสด็จมาถึงชนบทแห่งหนึ่งชื่อว่าเมืองลีคืออำเภอลีจังหวัดลำพูนอันตั้งอยู่ทิศใต้แห่งเมืองหริภุนชัยนครหรือลำพูนในการครั้งนั้นมีพญานาคตนหนึ่งออกมาอภิวาทกลา่าวไหวพระพุทธเจ้า แล้วทูลขอรอยพระพุทธบาทเจากพระพุทธองค์เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาพระพุทธเจ้าจึงทรงอธิษฐานเหยียบลงบนก้อนหินก้อนหนึ่งประดิษฐานรอยพระพุทธบาทไว้แก่พญานาคแล้วพระพุทธองค์จึงตัดกับพระมหาสารีบุตรว่าดูกระสารีบุตรหลังจากตถาคตนิพพานไปแล้วได้ร้อยปีครบเมื่อใด รอยบาทแห่งตถาคตนี้จากปรากฏแก่คนทั้งหลายเมื่อตรัสพยากรณเช่นนี้แล้วก็เสด็จเรียกฝั่งแม่เรมิงหรือแม่ปิงมาถึงท่าหัวเขียนอันตั้งอยู่ทางทิศใต้เมืองเชียงใหม่พระพุทธองค์ก็ทรงเหยียบรอยพระบาทไว้เหนือก้อนหินก้อนหนึ่งข้างหน้าที่ประดิษฐานรอยพระบาทนั้นมีหินสองก้อนเป็นรูปอ่างสองอ่าง ซึ่งบริบูรณ์ด้วยน้ำไม่รู้จักแห้งหายไปเลยตั้งอยู่ฝากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงพระพุทธองค์ได้ตรัสแก่พระมหาสารีบุตรว่านูราสารีบุตรเมื่อตถาคตนิพานไปแล้วได้ร้อยปีจะมีพิกษุรูปหนึ่งจากเปิดเผยรอยบาทนี้ให้ปรากฏแก่คนและเทวดาทั้งหลายถึงปีระวายหรือปีขานปีเมืองเมาหรือปีเถะก็ยิ่งรุ่งเรืองมาก จากปรากฏว่าเป็นเมืองท่าหัวเขียนแลต่อจากนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สเสด็จเรียบขึ้นมาตามฝั่งแม่ลามิงมาถึงหินก้อนหนึ่งอันประดิษฐานอยู่ในป่าริมฝั่งแม่ลำมิงพระพุทธเจ้าก็ประทับนั่งบนหินก้อนนั้นเทวดาก็นำเอาหริยผลคือหมากเสมอมาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เสวยหมากเสมอในที่นั้น เหตุนั้นจึงได้ชื่อว่าหาริพุณชัยประเทศเมื่อสวยแล้วพระองค์ทรงเยียดพระอังคุตระชีไปพร้อมกับตรัสแกพระสารีบุตรว่าดูราสารีบุตรหลังจากตถาคตนิพพานไปแล้วศาสนาและพระาธาตุแห่งตถาคตจกมาประดิษฐานที่นี้ตลอดห้าพันวสาสถานที่นี้ 5, สสนนจะปรากฏเป็นนครอันยิ่งใหญ่ จากมีพระราชาองค์หนึ่งพระนามว่าอธิตราชเสวยพระนครแห่งนี้ธาตุแห่งตถาคตจากอุบัติปรากรวดขึ้นแก่พระราชาพระองค์นั้นท้าวเธอจะได้รังสิษพระเจดีย์องค์ใหญ่พระนวะโลกุตระธรรมและพระปริยัติธรรมจกประดิษฐานมั่นคงในเมืองนี้และเมืองนี้จะปรากรวดชื่อว่าหาริพุญชัยนครแลเมื่อตรัสพระยากรแล้ว ก็เสด็จไปสู่ดอยอุชุบันพพธ์คือดอยสุเทพเมื่อเสด็จขึ้นไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งเป็นที่ราบเสมองามยิ่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทอดพระเนตรดูแล้วก็ทรงรู้แจ้งด้วยอนาคตังสยานแล้วตรัสแกพระสารีบุตรว่าดูราสารีบุตรหลังจากตถาคนิพานไปแล้วท่าแห่งตถาคจากมาปดิสถานอยู่ณที่นี้ ตรัสแล้วก็ทรงผินพระพักไปทางทิศตะวันออกตรงไปทางแม่น้ำปิงตรัสแกพระสารีบุตรต่อไปว่าดูราสารีบุตรทิศตะวันออกแห่งภูเขานี้ต่อไปจกมีพระราชาเสนาอำมาตย์ทั้งหลายจะมาตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่ณที่นี้สถานที่นี้จะ ก, กลายเป็นมหานครอันยิ่งใหญ่ศาสนาของสถาคดจกมาประดิษฐานตั้งมั่นอยู่ และจากปรากฏรุ่งเรืองจำเริญเป็นอันมากเมืองอันนี้จะปรากฏชื่อว่าอภิณวนครคือเมืองเชียงใหม่นับตั้งแต่เวียงที่นั้นมาไกลได้ห้าร้อยว่ามาถึงเชิงภูเขาลูกนี้ต่อไปจกมีมหาเถระองค์หนึ่งไปนำเอาธาตุแต่เมืองลังกามาประดิษฐานไว้โดยก่อพระเจดีครอบสถานที่นั้นจะเป็นที่อยู่แห่งแก้วทั้งสาม จากปรากฏชื่อว่าบุปผารามคือวัดสวนดอกแลเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสพยากรอเช่นนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปสู่ภูเขาลูกหนึ่งมีสันฐานงดงามมากพระพุทธองค์สําเร็จศีหาสายญาตอยู่ณที่นั้นยังมีต้นไม้ต้นหนึ่งขึ้นอยู่ทางทิศตะวันตกที่พระพุทธสัยญาตนั้นกิ่งไม้ได้หักตกลงมาในที่นั้น พรรมหาสารีบุตรเห็นเช่นนั้นจึงทูลถามว่าพันเตภคะวาข้าแดพระพุทธเจ้ากิ่งไม้ที่หักลงมานั้นเพราะเหตุใดหนอพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูราสารีบุตรหลังจากตถาคตนิพพานไปแล้วถ้าตถาคตจักมาประดิษฐานอยู่ณที่นี้จากจำเริญรุ่งเรืองเป็นที่สการะบูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลาย จะปรากฏชื่อว่าดอยพระนอนแถมชื่อหนึ่งว่าดอยปู่เจ้าเขางามว่าอย่างนั้นแลเมื่อตัดพระยากรอนเช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปถึงแม่น้ํามระมิงพระองค์ก็เสด็จลงสงแม่น้ํานั้นเมื่อชําระพระวรากายแล้วก็ทรงนุ่มห่มผ้าประทับยืนอยู่ตัดแก่พระสารีบุตรว่าดูราสารีบุตรสถานที่นี้ ต่อไปจักได้ชื่อว่าท่าพระเจ้าอาบน้ำต่อไปภายหน้าจากแปลเปลี่ยนเป็นท่าก า, กาบกว้างกว้างเช่นนั้นแลเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์เช่นนี้แล้วก็เสด็จเรียกฝั่งแม่น้ำเรามี่งขึ้นไปถึงที่แห่งหนึ่งในที่นั้นมีนกสองตัวตัวหนึ่งบินมาจากทิศใต้ตัวหนึ่งบินมาจากทิศเหนือนกทั้งสองตัวบินมาประสบกนนารณ์ณที่นั้น และพอดีกับที่พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาถึงที่นั้นเช่นกันนกทั้งสองตัวมีความยินดีเป็นอันมากก็ส่งเสียงร้องว่าสาสาตามภาษาแห่งนกพระพุทธเจ้าจึงตรัสพยากรว่าที่ตรงนี้ต่อไปภายหน้าจะได้ชื่อว่าศพสาเมื่อตรัสพยากรเช่นนี้แล้วก็เสด็จไปถึงไม้อย่างต้นหนึ่ง ในสถานที่นั้นมีน้ําค้างและหมอกตกลงมาจนคลึ่มมืดไปหมดธรรนมาหาสารีบุตรจึงกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสถานที่นี้มีน้ําค้างหมอกตกลงมาเป็นอันมากขอพระองค์จงประทับหยุดอยู่ที่นี้ก่อนเถิดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สเสด็จเข้าไปสู่ร่มไม้อย่างต้นหนึ่งแล้วก็ตรัสแกพระสารีบุตรว่าดูราสารีบุตร หลังจากตถาคตนิพพานไปแล้วาธาตุของตถาคตจักมาประดิษฐานอยู่ณที่นี้จักเป็นที่จำเริญรุ่งเรืองยิ่งนักต่อไปภายหน้าเมื่อไม้ยางต้นนี้ตายไปแล้วไม้สีมหาโพลต้นหนึ่งจักปรากฏขึ้นแทนณที่นี้สถานที่นี้จักได้ชื่อว่ายางหมอกแลเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสยากรณนเช่นนี้แล้ว ก็เสด็จเรียกฝั่งแม่น้ำเรามิงขึ้นไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งจึงเข้าไปบินทบาทในบ้านนั้นซึ่งมีชื่อว่าบ้านกอกเมื่อทรงรับบินทบาทแล้วจึงเสด็จไปสู่ที่หินก้อนหนึ่งงดงามมากกว้างสิบสองศอกประทรับเสวยพระกยาหารบนหินก้อนนั้นในเวลานั้นยังมียักษ์ตนหนึ่งกั้นฉัดให้แก่พระพุทธองค์ และยังมีเทวดาองค์หนึ่งโบกพัดจามรีให้พระพุทธองค์เช่นกันพระมหาสารีบุตรเถระเจ้าได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสถานที่นี้หาน้ำเสวยไม่ได้พระพุทธองค์ไม่ควรจะเสวยพระกายอาหารที่นี้พระพุทธเจ้าก็ทอดพระเนตรเหวแห้งแห่งหนึ่งอันมีทางทิศตะวันออกไกลจากที่นั่นไปประมาณห้าร้อยวาในเวลานั้นมีเทวดาองค์หนึ่ง เนรมิตรเป็นหมูตัวใหญ่เอาปากดันก้อนหินก้อนหนึ่งในเหวที่นั้นน้ำก็พุ่งทะลักออกมาหมูตัวนั้นก็มายืนอยู่ตรงพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าพระมหาสารีบุตรจึงเอาฝาบาทไปตักน้ำนั้นมาถวายพระพุทธเจ้าแม้นพระพุทธเจ้าเสรวยและเอาช่ำระล้างพระวรากายด้วยน้ำนั้นก็หาได้เหือดแห้งไปไม่คงมีบริบูรณ์ตามเดิม พระมหาสารีบุตรเห็นเป็นอัศจรรย์เช่นนั้นจึงกราบทูลฐานพระพุทธเจ้าว่าข้าแดบพระผู้มีพระภาคเจ้าน้ำนี้มีแต่เพียงฝาบาทหนึ่งเท่านั้นทำไมพระองค์เสวยและชำระพระวรากายด้วยน้ำจึงยังเพียงพอนี้หนอพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูราสารีบุตรเพราะว่าสถานที่นี้จกเป็นที่ประดิษฐานแห่งพระราตนาัยและาธาตุแห่งตถาคต หลังจากทถาคนิพานไปแล้วได้ 2, สองพันวสาจะมีพระราชาองค์หนึ่งพระนามว่าธรรมมิกราชาจะอุบัติมาเพื่อจันโลงพระพุทธศาสนาและจะได้มาปรึกษากับภิสุสง์ปฏิสังขรสถานที่ปฏิสถานพระรัตนตรยัยและอารักขาเทวดาที่นี้จะนำเอาสมบัติออกมามอบแก่คนทั้งหลายแล เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์เช่นนั้นแล้วก็เสด็จลุกจากที่นั้นขณะนั้นมหาปทวีก็ไหววันไปมาเป็นที่โกลาหุนยิ่งซึ่งเป็นนิเว์บอกให้รู้ว่าพระพุทธศาสนาจากมาตั้งมั่นและรุ่งเรืองในที่นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตั้งอธิษฐานเยยบหินก้อนหนึ่งให้รอยพระบาทปรากฏไว้แล้วก็เสด็จจากที่นั้นไป เทวดาทั้งหลายก็มีความเกรงไปว่าหินก้อนนั้นจกเป็นสาธารณสถานทั่วไปแก่คนและสัตว์ทั้งหลายจึงงัดหินก้อนนั้นให้ตะแคงไว้ที่นั้นจึงชื่อว่าผาสะแคงอันมีอยู่ในเมืองฝางนั่นแลต่อจากนั้นทัพพุทธเจ้าเสด็จไปทางอากาศผ่านภูเขาเทือกหนึ่งทรงชี้พระหัตไปที่หัวเขาลูกหนึ่งแล้วตรัสว่า ดูราสารีบุตรต่อไปภายหน้าศาสนาตถาคตจากมาปฏิสถานอยู่ณที่นี้จากปรากฏชื่อว่าอารามพญาคำแดงแลต่อจากนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จไปถึงเมืองลัวทรงเหยียดพระหัตชี้ไปแล้วตรัสว่าดูราสารีบุตรหลังจากตถาคตนิพพานไปแล้วมีดโกนของตถาคต จะถูกนำมาประดิษฐานในที่นี้และที่นี้จะดำรงอยู่แห่งพระแก้วเจ้าทั้งสามคนทั้งหลายที่อยู่ในเมืองนี้ทุกคนเขาจะสักรอยมีกนไว้ที่นาผาหากจากพึงมีแลเมื่อตรัตพยากรเช่นนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จตามลำดับบ้านเมืองทั้งหลายก็ทรงบรรลุถึงมหาอุโมงค์แห่งหนึ่งในเมืองอุตรระปัญจาละอันเป็นมหาอุโมงค์ ครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าของเราสเสวยพระชาติเป็นมหโหสถบัณฑิตได้ทิ่ฐานขุดไว้นั้นพระพุทธองค์ก็แสดงพระธรรมเทศนาสงฆ์คราบริษัททั้งหลายจากนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สเสด็จไปถึงเมืองวิเทหะในการครั้งนั้นพระยาวิเทหะหรือห่อไม่ทรงทราบอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าพอได้สดับตรับข่า ว, ว่า พะพุทธเจ้าเสด็จมาเมตตาเช่นนั้นก็ทรงสงมนัดเป็นอันมากจึงทรงให้รีบแต่งพภชนะหารใส่ในถาดทองคำบรรทุกบรรหัวช้างแห่งพระองค์แล้วไปต้อนรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพะพุทธองค์ไม่ค่อยทรงพอพระทยัยจึงตรัสว่าพระยาวิเทหะประกอบไปด้วยราชมานะเอาเข้าของบรรทุกหัวชาา้างมาถวายแกเราเช่นนี้เป็นการหมิ่นประมาทแท้ ต่อแต่นี้ไปภายภาคหน้าในเมืองนี้จะไม่มีช้างแลนับตั้งแต่นั้นมาในเมืองนี้ก็ไม่มีช้างจริงๆถึงมีก็อยู่ไม่มั่นคงตราบเท่าถึงปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าก็ประทับแรมณที่นั้นคืนหนึ่งพอรุ่งเช้าแล้วก็สงน้ําชําระพระวรกายแล้วก็เสด็จออกบินทบาทมาเสวยได้ตรัสซึ่งภาษารีบุตรว่า ลูราสารีบุตรหลังจากตถาคตนิพพานไปแล้วธาตุเขี้ยวฝางและบาทของตถาคตจะมาปฏิสถานณนที่นี้จากปรากฏว่าเป็นที่ตั้งแห่งพระแก้วเจ้าสามประการแลเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสพยากร์เช่นนี้แล้วก็เสด็จไปสู่เมืองโกสัมพีเสด็จออกบิทธบาดจนกระทั่งเสด็จไปถึงแม่น้ำคงหรือสารวิน ทรงสงน้ำชำะระพ่วรากายบนหินก้อนหนึ่งที่หัวท่าเข้าตอกเพราะเหตุว่าท่าน้ำที่นั้นมีฟองน้ำแตกขึ้นเบื้องบนเหมือนดัางคนโปรยปลายเข้าตอกเลยได้ชื่อว่าท่าเข้าตอกในเวลานั้นมีพญานาคตนหนึ่งเข้ามาอภิวาทพระพุทธเจ้าและทูลขอรอยพระบาทจากพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ประทับรอยพระบาทไว้เหนือหินก้อนหนึ่ง พญานาคทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพันเตข่าแดดพระพุทธเจ้าพระองค์จกไปเสวยพระกรยาหารที่ไหนหนอพระพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตจกไปฉันข้าวที่ยอดภูเขาวเวพารบันพธิ์อันมีอยู่ใกล้แม่น้ําพยะฆานาทีคือแม่น้ําคงบ้างฉบับว่าดอยเวพารบันพธิ์คือดอยรังรุงพุ้น ซึ่งเป็นแดนเมืองโกสัมพีกับเมืองหริพุญชัยนครและเมืองแพรหลวงประสบกันเมืองแพรหลวงนี้อยู่ใกล้ภูเขาคิจกูดส่วนระภูเขาวเวภารบันพลนั้นมีแผ่นหินอันราบเรียบเสมอดีนักพระพุทธเจ้ากรปบทับเสวยพระกยาหารพร้อมกับด้วยพระราหารห้าร้อยองค์เมื่อพระพุทธองค์เสวยพระกยาหารเสร็จแล้ว พญานาคก็ไปนําเอาน้ําแต่แม่น้ําคงหรือสารวินมาอุปถักต์พระพุทธเจ้าและพระรหัน์ทั้งห้าร้อยองค์นั้นแลพระพุทธเจ้าทรงบ้วนพระโอษฐ์แล้วทรงผินพระพักไปทางทิศใต้ทรงบ้วนน้ําตกลงไปทางทิศใต้พระมหาสารีบุตรเห็นเช่นนั้นจึงกราบทูลถามว่าข้าแด่พระพุทธเจ้าการที่พระองค์จะทรงบ้วนน้ําชําระพระโอษฐ์ให้ตกไปทางทิศเหนือไม่ดีหรือพระเจ้าข้า เหตุช่นไหนจึงทรงบ้วนไปทางทิศใต้นั้นหนอพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูราสารีบุตรน้ำบ้วนปากแห่งตถาคตแห่งนี้จะเป็นที่พึ่งแก่คนและสัตว์ทั้งหลายที่พากันมาสการะบูชารอยพระบาทที่นี้เขาทั้งหลายจะได้มาดื่มน้ำบ้วนปากแห่งเราแม้ว่าเขาเอาสระผมก็ดีอาบก็ดีพญาทีทั้งมวลก็ย่อมจะระงับกลับหายไป แม้นเขาปรารถนาว่าอย่าให้ฟันหลุดอย่าให้หูหนวกอย่าฮื้อตามืดบอดผมก็อย่าฮื้องอกก็หากจากสมดังความปรารถนาแม้นอันตรายต่างๆก็ระ ง, งับไปเหตุ น, นั้นตถาคตจึงบ้วนน้ำตกไปทางทิศใต้แลก็การนั้นพญานาคกับพระอสวนก็กางผ้าเพดานกั้นร่มให้พระพุทธเจ้าและเทวดาทั้งหลาย ก็พากันมาสักการะบูชากันมากนักพระพุทธเจ้าก็ทอดพระเนตรลอยพระพุทธบาทแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายสามพระองค์ที่ล่วงมาแล้วคือพระพุทธเจ้ากัจจุสันระพระพุทธเจ้าโกนาคมนะและพระพุทธเจ้ากัสปะอันปรากฏอยู่เหนือแผ่นหินที่นั้นก็ทรงย่ำสวนอยู่พระมหาสารีบุตรเห็นเช่นนั้นจึงทูลถามว่าข้าแดดพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงย้ำสวนด้วยเหตุอะไรหนอพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูราสารีบุตรฐานะนี้แม้นพระพุทธเจ้าที่ล่วงไปแล้วทั้งสามพระองค์ก็ทรงประดิษฐานรอยพระบาทไว้แม้นพระศรีอริยะเมตไตรอันจะมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้าก็จักทรงเหยียบรอยพระบาทครอบรอยพระบาททั้งสี่รอยนี้ให้กลายเป็นรอยเดียวเมื่อตรัสเช่นนี้แล้ว พระพุทธองค์ก็เสด็จลุกขึ้นไปทรงเหยียบรอยพระบาทไว้เรียงกันคือให้ปลายนิพระบาทตั้งอยู่เสมอกันส่วนซ้อนพระบาทนั้นหยุดหย่อนการตามลําดับแล้วพระองค์ก็ทรงอธิษฐานว่าเมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วให้เทวดาทั้งหลายนําเอาธาตุแห่งเรามาประดิษฐานณที่นี้เพื่อมิให้เป็นของสาธานในเมื่อเรานิพพานไปแล้วนานสองพันวัษา พระบาทนี้จากปรากฏแก่คนและเทวดาทั้งหลายเขาจับพากันมาสการะบูชาเป็นอันมากและเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเช่นนี้แล้วก็เสด็จกลับคืนสู่วิหารเชตวันอันมีในเมืองสาวัตถีก็มีดังนี้แลแตะโตปรังต่อแต่นั้นไปในภายหน้าพระมหาสารีบุตรเทระเจ้าเมื่อจักแสดงใจความแห่งประเทศ เหตุการณ์ทั้งมวลให้แจ่มแจ้งจึงกล่าวว่ายังมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองแพรหลวงตั้งอยู่ทิศเหนือใกล้เมืองโกสัมพียังมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อว่าดอยลิ้นสองอันตั้งอยู่ในแว่นแควนเมืองฮริพุนชัยนครพระพุทธเจ้าแห่งเราไปประทับเสวยพระกยาหารที่ภูเขาวเวพารบันโพธิ์ที่นั้นยังมีพญานาคตนหนึ่งเอาน้ํามาถวายแก่พระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ก็ทรงประดิษฐานรอยพระบาทไว้ณที่นั้นไอสวนและเทวดาทั้งหลายก็ถึงผ้าเพดานกั้นรอยพระบาทนั้นไว้และเทวดาทั้งหลายก็พากันมาสการะบูชาเป็นอันมากในเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วจะมีเทวดาองค์หนึ่งชื่อว่ารามติจะนําอาพระาธาตุพระพุทธเจ้าไปสถาปนาไว้ ในแผ่นดินที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งเสวยพระตาหารนั้นประการหนึ่งจะมีต้นไม้ทิพย์ต้นหนึ่งมีกิ่งก้านสีแดงมีใบอันหอมมีสันฐานเช่นเดียวกับไม้สีมหาโพนั้นมีทางทิศตะวันออกเขียงใต้ผู้ใดมีบุญญาสมพานจึงได้เห็นในวันเดือนดับเดือนเพ็นและมีเทวดาห้าองค์รักษาภูเขาพระบาทนั้นไว องหนึ่งชื่อว่าเมฆขลาอยู่ที่ทิศตะวันตกเขียงเหนือให้บูชาด้วยดอกไม้สีแดงองหนึ่งชื่อว่าชนกอยู่ทิศตะวันออกเขียงเหนือให้บูชาด้วยดอกไม้สีขาวองหนึ่งชื่อว่าราชินาอยู่ทิศเหนือให้บูชาด้วยดอกไม้ที่เกิดในน้ำทั้งมวลเช่นดอกบัวและดอกจังกรเป็นต้นองหนึ่งชื่อว่าคัทนะอยู่ทิศใต้ ให้บูชาด้วยดอกกระทานเหินองค์หนึ่งชื่อว่าวนปะติอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ให้บูชาด้วยดอกไม้อันมีกลิ่นหอมทั้งมวลเทวดาทั้งห้าองค์นี้อยู่รักษาพระพุทธบาทและพระาธาตุตลอดสิน 5, ้นห้าพันวัฏษาจนกระทั่งถึงสมัยพระศรีอรยาเมตรตรลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและพระองค์จักมาเสวยพระตาหารบนภูเ ข, ขาที่นี้ จะทรงเหยียบรอยพระบาทครอบรอยพระบาทพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ที่ผ่านมาให้เรียบบริวูรณ์งามเป็นแท่งเดียวกันจากเทศนาโปรดเทวดาทั้งหลายมีรมมิเทวดาเป็นต้นให้ถึงธรรมพิเศษคืออรหัตตผลมีประมาณห้ามื่นองค์บุคคลใดจะขึ้นไปนมัส ก, การกราบไหว้รอยพระพุทธบาทอันประเสริฐถ้าเป็นภิกษุก็ให้ชระศีก ข, ขาบท และจะตุปาริสุทธศีลให้บริสุทธเจกอนถ้าเป็นสัมมณี น, น, นก็ให้ชำระ ส, งสังฆาศีลให้บริสุทธเจกอนถ้าเป็นภาคขาหรือชีหรือคนผู้หญิงผู้ชายทั้งหลายก็ควรสงวน ร, รักษาศีลห้าสีลแปดให้บริสุทธเจกอนหากว่าเป็นผู้มีศีลไม้บริสุทธย่ยอมไม่เป็นที่พอใจแห่งเทวดาทั้งหลายคนใดเป็นผู้มีบาบมีโทษมาก ยักษ์และผีเสื้อก็จะ ก, กระทาให้เป็นอันตรายเป็นต้นว่าปวดหัวหน้ามืดอาเจียนเป็นโลยหิตปวดท้องเป็นไข้หนาวและเป็นภัยต่างๆหากว่าผู้ใดไม่ว่าครืหั่าหรือนักบวชมีอาการเป็นดังที่ว่ามานี้ให้ไปขอขมาและสมาทานศีลให้บริสุทธิ์และอุทิศกุศลไปให้เทวดาให้กระทาพิธีที่เชิงภูเขาแห่งนั้น แล้วค่อยขึ้นไปสการะบูชารอยพระพุทธบาทหากไม่ปฏิบัติเช่นว่ามานี้บุคคลผู้นั้นก็ย่อมไม่จำเริญและไม่มั่นคงยืนยาวและเมื่อจะขึ้นไปนมัสการกราบไหว้ลอยพระพุทธบาทนั้นให้บูชาเทวดาทั้งห้าองค์นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยขึ้นไปครั้นว่าขึ้นไปถึงรอยพระพุทธบาทแล้วผู้หญิงทั้งหลายไม่ควรจะล่วงล้ำเข้าไปภายใน อนนอย่าโปรยปลายเข้าตอกดอกไม้ใส่รอยพระพุทธบาทเทวดาจะไม่พอใจประการหนึ่งอย่าเดินในที่พระราหันและที่ประทาดประดิษฐานอยู่ประการหนึ่งอย่าคายชานหมากทิ้งอย่าขากเสรียดลงอย่าท่มน้ำลายหรืออย่าทำสกปรกในบริเวณข้างบนนั้นเทวดาจะไม่ชอบใจและเป็นอันตรายแก่ผู้ทำสกปรกนั้น ให้พึงเคารพยำเกรงด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจจริงจึงจักเป็นการดีประการหนึ่งยังมีภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งชื่อว่าเขาชมพูและกลับมีภูเขาใหญ่อีกลูกหนึ่งมีชื่อว่าเขากินนารีถ้าเราขึ้นไปอยู่บนยอดเขาทั้งสองลูกนี้จะมองเห็นเมืองโกสัมพีและท่าเรือเมืองลังกาได้ทั้งสิ้น แม้ว่าพระฤาษีวิชาธรกินนอนยักษ์และเทวดาทั้งหลายเมื่อจะลงมานมัส ก, การพระบาทพระธาตุเจ้าก็ยังมาพักอยู่บนยอดเขานี้ก่อนประการหนึ่งยังมีภูเขาหินใหญ่อีกลูกหนึ่งชื่อว่าผาหมอนหรือผาอุบธาตุในพระพุทธบาทเหล่านี้หากว่าบุคคลใดไม่ว่าเครืองหัยหรือนักบวชมีความเลื่อมใสด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจจริง หาความประมาทไม่ได้สังวรปฏิบัติตามคำสอนของเราผู้ชื่อว่ามหาสารีบุตรซึ่งเป็นผู้กล่าวมานี้โดยแท้จริงแล้วก็จักบังเกิดเป็นบุญอันยิ่งใหญ่แน่นอนหรือเป็นปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพานคำสำหรับถวายนามสการรอยพระพุทธบาทที่นี้ว่าโกสัมพยังอวิทูเรเวพาระปับพเตกกุสันโธโกนาคมโน กัสโปโคตโมปาทะเจติยังชินธ า, าตุงทเปตวาอหังวันทามิทูรโตรดังนี้หลังจากพระพุทธเจ้าและพระมหาสารีบุตรนิพพานไปแล้วพระอรหันตและเทวดาองค์ชื่อว่ารัมมติก็นำเอาพระธาตุของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานตั้งไว้เพื่อเป็นที่สการะบูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลาย พระพุทธเจ้าก็ทรงตั้งพระศาสนาไว้ห้าพันพรรษาเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปได้แล้วสองพันปียังมีบ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านยางคํามีอยู่ใกล้เชิงเขาวเวพารบันพศในเวลานั้นเทวดาทั้งหลายมีความประสงค์จะไขรให้รอยพระพุทธบาทและพระชินทาธของพระพุทธเจ้าปรากฏจึงได้ระเมศเป็นรูงหรือเหยี่ยวใหญ่ตัวหนึ่ง บินลงมาโฉบเอารูกไก่ชาวบ้านขึ้นไปยอดภูเขารอยพระพุทธบาทเป็นประจำเวลานั้นยังมีพลานป่าผู้หนึ่งเป็นชาวบ้านที่นั้นเห็นรุ้งเผือกตัวนั้นวินโฉบลงมาเอารูกไก่แล้วบินขึ้นไปสู่ยอดภูเขานั้นมันก็โกรธเป็นอันมากก็คำหนึงในใจว่ารุ้งตัวนี้มันอยู่ที่ไหนหนอกูจะตามไปดูแล้วยิงมันให้ตายเสียในวันต่อมา รุ่งตัวนั้นก็บินโฉบเอาลูกไก่ไปอีกพรานผู้นั้นก็ติดตามไปดูเห็นรุงบินขึ้นไปที่ยอดเขาที่นั้นพรานป่าก็พยายามไต่ขึ้นไปสู่ยอดเขามองหารุ่งตัวนั้นก็ไม่พบในที่ใดเลยคงเห็นแต่รอยพระพุทธบาทกับทั้งพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ที่นั้นพรานป่าผู้นั้นพอมันเห็นเช่นนี้ ก็นั่งลงนมัสการกราบไหว้ด้วยศีรษะแห่งตนแล้วมันก็ลงมาประกาศแก่คนทั้งหลายให้ปรากฏทั่วไปในบ้านน้อยเมืองใหญ่ทั้งหลายโดยทั่วไปตั้งแต่การนั้นเป็นต้นมาครือหัดนักบวชทั้งหลายก็พากันไปนมัสการกราบไหว้รอยพระพุทธบาทที่นั้นเป็นจำนวนมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระพุทธบาทที่นั้นเลยปรากฏชื่อว่า พระบาทเจ้ารังรุง้งสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายังมีพระราชาองค์หนึ่งพระนามว่ามังรายสเสวยราชในนครเชียงใหม่ได้ทรงสดับตรับฟังข่าวว่าพระพุทธบาทรังรุ้งเป็นที่ประเสริฐยิ่งนักจึงทรงมีพระราชาศรัทธาใคร่สการะบูชาเป็นอย่างยิ่ง จึงเสด็จไปพร้อมด้วยพระราชเทวีและเสนาอำมาตย์บริวารทั้งหลายตามลำดับหนทางจงกระทั่งบรรลุถึงเชิงเขาแล้วก็เสด็จขึ้นไปสักการะบูชาพระพุทธบาทและพระชินทาด้วยพระราชปาษาท่าศรัทธาเลื่อมใสเป็นอันมากทรงบังเกิดอัศจรรย์พระไทยยิ่งนักจึงมีพระราชอาญาให้คนทั้งหลายวัดระยะดูรอบเชิงเขานั้นมีสอเจ็ดสิบวา ตั้งแต่เชิงภูเขาวัดตามระยะทางเดินสูง427วาวัดทอดดิ่งลงมาได้125วาวัดตรงดิ่งลงมาจนถึงฝั่งแม่น้ำคงไกล500วาวัดตั้งแต่สะเพาไปถึงรอยพระพุทธบาทได้25วารอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้ากกุสรรพยาว1วา3ศอกรอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้ากโกนาคมานะยาว1วา2ศอก รอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้ากัสปะยาวหนึ่งวาหนึ่งอกรอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้าโคตมะยาวหนึ่งวาหนึ่งคืบปลายพระบาทเสมอกันเมื่อพระยามังรายถาวายนำมำสการสการะบูชาแล้วก็พาเสนาบริวารกลับลงมาตามลำดับสเสด็จมาถึงป่าแห่งหนึ่งจะหาที่พักไม่มีเพราะเป็นป่าแขมป่าเลาหรือแฝกและเป็นน้ำทั่วไปทั้งสิ้น ในที่นั้นภายหลังจะแปลชื่อว่าภูเรายางคํานับตั้งแต่พระยามังรายเสด็จลงจากพระพุทธบาทและออกจากภูเรายางคําไม่มีที่พักผ่อนเลยจนกระทั่งถึงป่าแห่งหนึ่งจึงประทับแรมอยู่ในระหว่างป่านั้นป่าแห่งนั้นเลยปรากฏชื่อว่าป่ามังรายจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้พระยามังราย เสด็จออกจากที่พักแรมนั้นมาถึงเมืองแห่งหนึ่งคนทั้งหลายก็พากันมาเงอ้อหรือชะเงอ้อดูพระยาที่นั้นนับตั้งแต่นั้นมาเมืองนั้นจึงได้ชื่อว่าเมืองเงอ้อหรือเมืองชะเงอ้อนับตั้งแต่พระยามาังรายเสด็จไปนมัส ก, การรอยพระพุทธบาทและเสด็จกลับคืนมาสู่นครเชียงใหม่แล้วก็ทรงดํารงอยู่ในราชสมบัติตราบสวรรคต ราชวงศ์ลูกหลานสเสวยราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ต่อมาตามลำดับนับได้เจ็ดรัชกาลในสมัยการครั้งนั้นยังมีพระขาวผู้หนึ่งอยู่บ้านทุงโนมังรายที่นั้นมีปกติไปอุปถากคพระพุทธบาทเป็นประจำมีในวันหนึ่งเป็นวันเพ็ญเดือนเจ็ดเหนือพระขาวนั้นก็ไปนำมัส ก, การพระพุทธบาทและเข้าสมาธิภาวนาอยู่ แล้วรำพึงในใจว่าเหตุชไหนคนทั้งหลายจึงไม่มานมัสการกราบไหว้พระพุทธบาทอันประเสริญนี้หนอในขณะนั้นเทวดาองค์หนึ่งทราบวาราจิตแห่งผ้าขาวผู้นั้นจึงนิมิตตนเป็นภิกษุรูปหนึ่งนั่งภาวนาอยู่ในช่องว่าหินที่เชิงเขาพ้าขาวผู้นั้นลงจากภูเขามาได้เห็นภิกษุ ป, ป่ารูปนั้นจึงถามท่านว่า ในปัจจุบันนี้สมณาพราหมณ์และคนทั้งหลายทำไมจึงไม่มานมัสการกราบไหว้พระพุทธบาทอันประเสริฐนี้หนอภิกษุรูปนั้นจึงตอบว่าดูราผ้าขาวแต่ก่อนนี้คนทั้งหลายเข้าพากันมานมัสการพระพุทธบาทเป็นอันมากก็จริงแต่ว่าอันตรายทั้งหลายมากบังเกิดแก่เขาเขาทั้งหลายก็มีความหวาดกลัวเพราะเหตุนั้น ต่อมาเขาก็เลยไม่มานมัส ก, การอีกเพราะว่าคนทั้งหลายนะั้นมีจิตใจต่างกันลางคนมาลอยพระพุทธบาทนี้ด้วยใจคดเลี้ยวไม่เรื่อมใสยศรัทธาในลอยพระพุทธบาทเขามีความประมาทมากฆ่าสัตว์ลักของท่านเล่นชู้สนสอให้ท่านทะเลาะวิวาทกันกล่าวคำพรุสวาจาและคำอันหาประโยชน์ไมได้ และชอบดื่มสุรายาเมาไม่นิยมยินดีในรอยพระพุทธบาทอันตรายทั้งหลายจึงบังเกิดแก่เขาเมื่อเขาตายไปบางคนก็ต้องไปตกนรกผ้าขาวก็ถามต่อไปว่าต่อไปภายหน้าพระพุทธบาทนี้จะยังรุ่งเรืองหรือไม่ภิกษุรูปนั้นจึงตอบว่าดูราผ้าขาว ท่านจงไปบอกแก่คนทั้งหลายที่จะมานมัส ก, การรอยพระพุทธบาทที่นี้ว่ามนุษย์หญิงชายครือัดนักบวชทั้งหลายที่จะมานมัส ก, การรอยพระพุทธบาทและพระชินทาต่ที่นี้จงเป็นผู้สังวรในอินทรีย์ทั้งหกคือรักษาปากหูตารักษาจมูกและลิ้นรักษากายและใจอย่าให้บาปบังเกิดขึ้นได้โดยแท้อย่าทะเลาะวิวาทกันอย่าฆ่าสัต อย่าลักของท่านอย่ามายาสาไถ่อย่าเล่นชู้อยา่าโกหกพูดเท็จอย่ากล่าวคําพรุสวาจาอย่ากล่าวคําที่หาประโยชน์ม่ได้อย่าดื่มสุรายาเมาและอย่าถ่ายอุจจาระปัสวะสั่งน้ำมูกถมน้ําลายที่เชิงเขาพระพุทธบาทด้านตะวันตกให้ไปถ่ายหรือไปถมด้านตะวันออกของพระพุทธบาทโน้นเถิดประการหนึ่ง ถ้าเป็นผู้หญิงขึ้นไปนมัส ก, การลอยพระพุทธบาทนั้นห้ามล่วงล้ำเข้าไปในเขตรั้วล้อมพระพุทธบาทห้ามโปรยปลายเข้าตอกดอกไม้บนรอยพระพุทธบาทและรูดพระธาตุให้ไว้ที่พระราหารนั่งนั้นหากสมควรแลอย่าเอาเทียนติดก้อนหินที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งอย่าตีกรองสะบาดชัยอย่ากางทุงแรหรือทงแพรใกล้พระบาท พระลมจะเพิกพัดถูกใส่ไฟไฟจะไหม้หลอยพระพุทธบาทจะเป็นบาปมากนักหากว่าผู้ใดกระทําสิ่งที่ไม่ชอบไม่ควรเทวดาจะไม่ชอบใจและพระธาตุก็ไม่แสดงปาฏิหาริย์อย่าถากไม้อย่าเอาเปลือกไม้แต่เชิงเขาขึ้นมาข้างบนซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นบุญกุศลจะกลายเป็นสิ่งไม่ดีเพราะว่าต้นไม้เหล่านั้นมีเทวดารักษาทุกต้น จะไม่เป็นที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลายเขาจะกริ้วให้โทษแก่ผู้ฝ่าฝืนหากว่าใครไม่เชื่อยังขืนตัดฟันไม้ก็จะได้รับบาดเจ็บเหมือนดังต้นไม้หากว่าตัดฟันต้นไม้จนตายก็จะต้องตายเช่นเดียวกับต้นไม้เมื่อนมัสการกล่าวไหว้พระพุทธบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะลงมาจากภูเขาให้จัดการปัดกวาดเก็บขยะให้เรียบร้อยแล้วจึงลงมาเถิด เวภาระปาทธาตุนิติตากล่าวถึงเรื่องพระพุทธบาทและพระชินธาตุอันมีอยู่บนภูเขาวเวพาระบรรโพธคือผารังรุง่มก็จบเพียงเท่านี้ต่อไปนี้จะได้แสดงถึงเรื่องพระาธาตุที่ประดิษฐานอยู่ที่เมืองฝางผู้มีปัญญาพึงรู้ดังต่อไปนี้เทินยังมีภูเขาหินลูกหนึ่งชื่อว่าดอยผาตุก เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จมาสั่งสอนเวนยศัตร์ทั้งหลายได้เสด็จมาถึงที่นี้ตรัสว่าเมื่อตถาคตปริธานไปแล้วจงนำเอาท่าตถาคตมาปฏิสถานณที่นี้เถิดพระอนันตเถระเจ้าและพระยาโสุก็ทูลขอเอาพระเกศ า, าธาตุจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงรูปพระเสียงได้พระเกศามาเส้นหนึ่ง มอบให้พระมหาอนานันทเทระเจ้าพระมหาอนานันทเทระเจ้าจึงเอาพระเกศาธาตุเส้นนั้นประดิษฐานไว้ในถ้ำดอยผาตุบนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสาเร็จศีหะสายญาตที่นั้นคืนหนึ่งจากนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเสด็จไปสู่ดอยท่าข้ามเมืองเยิงตามลำดับผลทางจนไปบรรลุถึงพระเชตวันมหาวิหาร อยู่ต่อมาอีกหนึ่งพรรษาพระพุทธองค์ก็เสด็จเข้าสู่บริณิพานที่เมืองกุศินาราก็มีในครั้งนั้นแลหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จบริณิพานไปแล้วนานได้สองร้ปีพระยาอาโศกธรรมราชาก็ทรงแจกพระธาตุของพระพุทธเจ้าและพระธาตุของพระพุทธองค์ก็มาประดิษฐานอยู่ในดอยผาตุกที่เมืองฝางในเวลานั้น มีพระอรหันต์สามองค์มานิพนธ์ในที่นั้นพระอินทร์จึงให้วิสุกรรมเทวบุตรมานิมิติอุโมงค์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระชินทาตาแล้วจุดประทีปบูชาไว้ในด้านประตูถ้ำอันมีทางฝ่ายแม่น้ำเทวดาได้เอาหินก้อนใหญ่มาปิดประตูถ้ำไว้พระธาตุที่ประดิษฐานอยู่ในถ้ำผาตุบที่นั้นก็รุ่งเรืองยิ่งนัก เป็นที่สการะบูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลายจนตลอดไปถึงสิ้นห้าพันพระวสาแลตำนานถ้ำผาตุบก็จบเพียงเท่านี้แลยังมีในสมัยครั้งหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณเป็นอันมากประทับสำลาญพระรยาบทอยู่ในโคสิตารามบางฉบับว่านิโคธะสิตาราม อันมีในเมืองโกสัมพีก็ทรงเล็งทิพยจักขูยานมองเห็นลัวสองคนผัวเมียอยู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าลุคามะในดอยถ้ำด่านยางจวงบางฉบับว่าด่านยางเจาะลัวทั้งสองคนผัวเมียนั้นเป็นผู้มีบุญญะสมพานอันเคยสร้างมาแต่บุพชาตเป็นอันมากควรแก่การถึงมรรคผลธรรมอันวิเศษเมื่อทรงทราบเช่นนั้นแล้ว พระพุทธองค์จึงทรงห่มผ้าและทรงถือบาทเสด็จไปประทับนั่งอยู่ที่โคนไม้นิโครธต้นหนึ่งในดอยครอมแล้วก็ทรงเปล่งฉับพันณรังสีทั้งหกประการคือขาวเขียวเหลืองแดงผงสบัดและสีแก้วผลึกมีวันณดังแก้วไผ่ทูน้ำทองคำอยู่ที่ข้างทางเดินลั้วทั้งสองคนผัวเมียเดินมาถึงที่นั่นก็แลเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า กำลังทรงเปล่งฉับพลนรังสีมีวันหน้าต่างๆแห่ซ่านออกไปทั่วทิศดูโอภาสรุ่งเรืองยิ่งนักเขาทั้งสองก็บังเกิดศรัทธาภะษาทะเลื่อมใสมีความสมนัสยินดีเปน็นอันมากจึงพากันเข้าไปถวายอภิวาสกราบไหวองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมถวายห่อข้าวแก่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับเอาห่อข้าวนั้นแล้ว ก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นภาษาธรมินคือภาษาชาวป่าแก่ล้วสองผัวเมียนานในเรื่องอริยสัจจธรรมทั้งสี่ประการล้วทั้งคู่ก็ได้ต่อสรูม้มรรคผลธรรมบังเกิดอจริยสัจธาในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงถือห่อข้าว น, านั้นแล้วก็ทรงประทับนั่งเนื้อผาด่านก้อนนั้น ทรงผินพระพักไปทางด่านย่างจวงเพื่อจักเสวยภชนาหารในเวลานั้นพระอินทร์ทรงทราบแล้วก็เสด็จลงมาจากฟากฟ้าเพื่อปริบัติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแทงพระขันเพชรไปที่ก้อนหินก้อนหนึ่งทางทิศเหนือในทันใดนั้นน้ำก็พุ่งออกมาจากก้อนหินนั้นได้เอาน้ำนั้นถวายพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ทรงบริโภคแล้ว ก็เสด็จขึ้นไปเหยียบรอยพระบาทไว้เหนือก้อนหินก้อนนั้นซึ่งมีสันฐานเมื่อนองช้างหมอบเพื่อไว้ให้เป็นที่สการะบูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลายคือรอยพระบาทอันมีอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งผาด่านที่นั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับคืนไปสู่เมืองโกสัมพีประทับอยู่ในนิโครธสิตาอารามเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จป ร, รินิพานไปแล้ว มีพระลรหันเจ็ดองค์นำเอาพระธาตุมาบรรจุในประเทศอย่างจวงนั้นเป็นไปดังพระพุทธเจ้าพยากรไว้ทุกประการเมื่อจะบรรจุพระบรมธาตุนั้นได้พร้อมกันกับด้วยท่าพยาเสนาอมาตย์ทั้งหลายตลอดถึงชาวเมืองทั้งมวลได้ขุดหลุมเลืกลงไปเจ็ดว่าแล้วจึงอัญเชิญพระบรมธาตุลงบรรจุในที่นั้น เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลายยังมีเทวดาองค์หนึ่งชื่อว่าอาหัต ส, สักกะได้อยู่รักษาพระธาตุและพระบาทของพระพุทธเจ้าเทวดาองค์นั้นคือหลานของพระยาอาโศกธรรมราชเมื่อได้จุติจากชาติที่เป็นหลานของพระยาอาโศกแล้วก็ได้มาเกิดเป็นเทวดาอยู่รักษารอยพระบาทและพระธาตุอย่างจัวที่นั้นก็มีแล ธาตุการทางนิธิต่างการที่กล่าวถึงพระาธาตุจบเพียงเท่านี้จบผูกที่หนึ่ง